วอกดีครับทุกน้องครับนี่คือเสียงจากสีบางนครับและเป็นเสียงจากทั่สวยเอวนะครับเมื่อวานนี้เราได้มาถึงที่สวยเอวนะครับที่ตเตาวีบตอนเช้าครับเครื่องบินก็ถึงประมาณหกโมงเศษนะครับแล้วก็ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองจากเจ้าที่สวนเอวนะครับแล้วก็เราก็ได้มาทัศนศึกษาร่วมกับทาง สบานของกฤษฎีกรในเครือข่ายพิจารณาทั้งผู้เก้าและแล้วก็ผู้แทนจากสถาบันด้วยครับพี่น้องครับอยากจะจแบ่งปันในเจ็ดแปดวันนี้เกี่ยวกับประเทศอิสราเอลเพราะประเทศอิสราเอลนั้นเป็นประเทศที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรนะครับชนชาติอิสราเอลเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกสารดินแดนซึ่งเป็นรัฐประชาติของอิสราเอลนั้ น, น, นก็เป็ดินแดนแห่งพันธสัญญานะครับและทาสเตรเลียนเราถึงว่า รเอนั้นหรือเทศอิสรเอลดินแดนอิสรเอลเป็นโอเรียนครับเป็นดินแดนซับเซ็ตครับวัฒนชาติอิ r a e เอลเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนะครับวันที่สิบสี่4อหนึ่งพันเก้าร้อยสิบแปดครับนะครับก็เรียกว่าเมโฟรตีนไนตีเอคือวันชาติอิสรเอลเป็นวันเริ่มต้ น, นต่องต่งางชาติอิสราเอลครับ ในเรื่เดนอิเอที่มันอราเสมยใหม่เื่อนครับเมื่อก้าเข้ามาเหยียบดินแดนขสงทีนี้ผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งครับว่าเป็นคนของพระเจ้าแท้จริงแล้วผมมาหลายครั้งครับเพราะเนื่องจากว่ามาตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาพระพิธธรรมมาหนึ่งครั้งอีกครั้งหนึ่งก็พาสมาชิกท่านปูโสกเรื่องกาพัฒนามาอีกหนึ่งครั้ง ส่วนอีกสองครั้งที่มานั้นก็มาเป็นวิทยากรร่วมกันนะครับกับทางวิทยากรท้องถิ่นทําให้ผมได้มีความรู้สึกว่าที่มาหลายครั้งนี้ยิ่งมายิ่งได้รับคุณของพระเจ้าภ า, าพ ไ, ไ, ดาได้เห็นบางถึงบางอย่างมากกว่าพี่น้องท่านอื่นๆที่ไม่ได้มาหรือได้เห็นบางสิงบางอย่างมากกว่าพี่น้องท่านอื่นที่หลายคนนั้นมาแค่ครั้งเดียว จึงถือว่าเป็นพระคุณส่วนตัวที่ผมได้รับจากพระเจ้าแต่พี่น้องครับที่ผมพูดอย่างนี้ไม่หมายความว่าผมได้มีพระคุณมากกว่าคนอื่นนะครับแต่เป็นพระคุณที่ทําให้ผมได้เห็นว่าทุกครั้งที่มาได้มีอะไรใหม่ๆเสมอครับจึงอยากจะแบ่งปันและใช้หัวข้อว่าอิสราเอลนะครับในเจ็ดแปดวันที่อยู่ที่งานนี้ พี่น้องครับในเช้าวันนี้อยากจะนําพี่น้องมาถึงสถานที่หนึ่งครับที่ชื่อว่าภูเขาคาร์เมลภูเขาคาร์เมลนั้นเป็นภูเขานะ่ยฮะเรียกว่าเป็นเทือกเขาครับวิ่งนะครับตั้งแต่เหนือถึงใต้อยู่ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับถัดออกไปจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับก็จะเข้ามาก็ามีที่รากแล้วก็ขึ้นมาก็เป็นภูเขานะครับ ในภูเขาตรงนี้ครับเรียกว่าภูเขาคาเมลเรานั่งรถในเส้นทางนะครับทางหลวงหมายเลขสองครับทางหลวงหมายเลขสองนี้เป็นทางหลวงที่วิ่งจากเหนือนะครับจุดใต้ไม่เป็นทางหลวงที่ว่าเรียกฝั่งทะเเมดิเตอร์เรเนียนครับทางหลวงนี้จะนําเรานะครับไปที่เมืองซิซาริ亚นะครับซิซาริ亚บางซิซาริ亚นี้ เป็นเมืองที่สร้างโดยกษัตริย์เฮโรสมาราชนะครับกษัตริย์เฮโรดมาลาห์นั้นเขามีชีวิตอยู่และครอบครองก่อนพีเยซูนะครับเกิดนะครับประมาณยี่สิบเจ็ดปีแล้วก็ขึ้นมาชนหลังพีเยซูเกิดนะครับในคศออที่สี่เฮโรสมาราชนั้นมีผลงานชิ้นเอกอยู่นะครับสองชิ้นด้วยกันที่ปากไว้ในประเทศอิตาลีใช่จริงแล้ว ก็เป็นคนที่เก่งมากครับเ ป, ยยเป็นกษัตริยะเป็นกษัตริย์ที่มีความคิดสร้างสารรค์มากตอนที่โฮมนั้นปกครองอิสราเอลหรือแผ่นดินปาสไตน์ซึ่งเป็นแผ่นดินแห่งปัสสัญญากษัตริย์เอลโราธานั้นก็เดินทางไปคารวราักพศิซาเพื่อที่จะให้เกิดฐานอำานาจของตัวเองเพื่อที่จะให้ศิซานั้น แต่งตั้งให้ตัวเองนั้นเป็นตัวแทนของรัฐบาลโรมมาปกครองแผ่นดินอิสราเอลแผ่นดินปาเลสไตน์ตรวมนั้นเมื่อเขาปีหรือญาตตาทัพไปถึงที่ไหนก็ตามนะครับเขาไม่ได้มีการกวาดต้อนใครไปเลยเฉลยครับแต่เขาก็แต่งตั้งตัวแทนจากรัฐบาลโรมซึ่งเป็นส่วนกลางนั้น ตัวแทนนี้มีหน้าที่ที่หนึ่งคือรักษาความสงบให้เกิดการสวมิภักดิ์ชงรักภักดีต่อรัฐบาลลมอย่าให้มีปัญหานะครับอันนี้เป็นประการแรกประการที่สองก็คือว่าเป็นตัวแทนในการเก็บภาษีส่งสวยกับโรมครับเพื่อนมีหน้าที่อยู่สองอย่างที่รัฐบาลลมปั้งแต่ให้ตัวแทนของตัวเองในการที่จะดูแล <c oughs> แมสถานที่หรือประเทศ ที่ตัวเองไปตีได้เพราะฉะนั้นเฮโรต์มหาราชนั้นก็ทำหน้าที่สองหน้าที่นี้อย่างสมบูรณ์แบบจึงอยู่ในความไว้วางใจของอัตมาลรวมเฮโรตมหาราชนั้นผมเมื่อกี้นี้ได้บอกแล้วครับการฝากผลผลงานไว้กับโลกนะครับอยู่สองอย่างด้วยกันก็คือหนึ่งได้บุญแระเท่าทีานของคนยิวนะครับจึงกลายเป็น พริหารที่มีสนามราศีที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดและมีขนาดกว้างกวางใหญ่โตที่สุดในปอดศาสตร์อิสราเอลและพระิหารเหล่านี้นะครับก็ลุ่เงเรืองขึ้นมาจนกระทั่งคอศรที่เจ็ดสิบครับพริหารเหล่านี้จึงถูกทำลายลงผลงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือพระราชวังครับพระราชวังนี้อยู่ที่เมืองซีซาริยานะตั้งชื่อเมืองนะตามชื่อของซีซ่าซีซาริยา นะครับและเมืองนี้เป็นเมืองที่ไว้คอยต้อนรับนะครับหรือเป็นเมืองที่ประกาศถึงศักดศีสาราทศสีของจกักรพรรดิซีซ่านะครับเฮ mm hmm. โรดนาราได้สร้างเมืองนี้เพื่อที่จะถวายเกียรติซีซ่าครับเพื่อที่จะเอาใจสีซ่าจุจ้องสีซ่าแล้วก็สร้างพระราชวังของตัวเองนะครับในการที่จะมาพักนะครับในฤดูร้อน เว่านื่องจากว่าเป็นเมืองชายทะเลครับแต่เมืองนี้นะครับหรือพระราชวังฤดูร้อนนี้เป็นพระราชวังที่ใช้วิธีเทคนิคในการสร้างมากมายทีเดียวก็คือล้อมรอบโดยทะเลทั้งสามด้านครับเป็นเหมือนกับเป็นลิ้นครับยื่นออกไปในทะเลครับและเมื่อเราไปดูนะครับเราเห็นสร้างปราหลักพังเรารู้ครับว่าระหว่างกลางนะครับขัดจากห้องโถงใหญ่ ก็จะเป็นสะไว้น้ําน้ําจืดขนาดใหญ่ครับนะครับแล้วล้อมรอบน้ําจืดนั้นก็จะเป็นห้องต่างๆห้องคับต่างนะครับยื่นเข้าไปในทะเลนะครับพระาชวังราชวังนี้นะครับเราเห็นสร้างประหราดทำอยู่ครับแล้วเราก็เห็นโมเสสนะครับโมเสสก็คือเป็นกระเบื้องเคลือบชิ้นเล็กๆครับที่แสดงถึงศิลปะอารยธรรมที่พื้นนะครับพบว่าเป็นโมเสสที่ เกิดขึ้นมาในตั้งแต่สมัยเฮโรมาราคนะครับเราเห็นเป็นของจริงเป็นเรื่องของจริงที่ได้รับการบูรณาแล้วเป็นครับนี่คือกษัตริย์เฮโรมาราคซึ่งกษัตริย์เฮโรมาราคนั้นเป็นเล็โรคจิตครับเป็นโรคพาลลอยเป็นโรคหวาดกลัวหวาดระแวงครับเขาก็หวาดระแวงทําให้เกิดเหตุการณ์ในเบ็ดเลยเหมนะครับก็คือเขาสั่งประหารชีวิตเด็กทารก ที่มีอายุต่ากว่าสองขวบลงมาเมื่อเขาพบกับโหราจารย์โหราจารย์บอกว่ามีเด็กทารกซึ่งเกิดขึ้นเป็นกษัตริย์บังเกิดใหม่นะครับอยู่ที่เบตเลเฮมนะครับนี่คือกษตริย์ที่หวั่นระแวงและมีนนชีวิตของกษัตริย์เฮโดมาข่านั้นเขาก็หวัดระแวงหลายอย่างนะครับครับผมจะพอผ่านไปจากเมืองซีซาริยาเน้นเข้ามาถึงสิ่งที่ผมจะพูดนะครับเป็นอะไรในวันนี้ก็คือวกเขาคาร์เมวครับ ภูเขาคารามลนั้นเราได้มีโอกาสขึ้นไปที่ยอดสูงสุดครับนะเป็นสถานที่ที่เชื่อกันว่าเอ利亚ซึ่งเป็นผู้ใช้พระเจ้าเป็นตรกกาศเป็นผู้เผยก่อนเป็นผู้เผยพะระนะของพระเจ้านะครับได้ทําการพนันขันต่อที่ภูเขาคาเามลซึ่งบันทึกไว้อยู่ในพระคัมภีร์หนึ่งปงษะบทที่สิบแปดนะครับครับพี่น้องมีเวลานะครับผมอยากจะให้พี่น้องได้กานหนึ่งปงษะบทที่สิบแปดนะครับ ก็จะเป็นเรื่องราวของเอริยากับบรรดาพระของรูปเขาภพหรือพระที่เรียกว่าพระหรานครับหนึ่งต่อสี่ร้อยครับเอริยาหนึ่งแล้วก็พระประตานสี่ร้อยคนนะครับถ้าเราอ่านนะครับเราก็จะเข้าใจว่าในที่สุดแล้วนะครับพระเจ้าได้ทรงสำแดงพระองค์ว่าพระองค์หรือพระเยา ว, วานทรงเป็นพระเจ้าที่แท้ครับ พีะเยาววาทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้เป็นพระเจ้าที่เป็นผู้ที่เที่ยงแท้ส่งไฟลงมาจากสวรรค์เพื่อที่จะเผาเครื่องเาผาบูชาที่ถูกน้ําราาถึงสามครั้งด้วยกันนะครับนั่นคือเอริยาครับจากตรงนี้นี่เองเราได้เห็นถึงบทบาร์ที่เกิดขึ้นประมาณสองพันแปดร้อยปีนะครับเราได้ยืนอยู่บนสถานที่ที่เอริยานั้นเคยยืนอยู่ ในขณะเียกันครับเมื่อทอสายตาลงไปข้างล่างนะครับเราเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือว่าที่ราาเมกิโดนะครับที่ราบเมกิโดที่ราบเมกิโดนั้นได้บันทึกไว้นะครับว่าเป็นแบทเทิลฟิลด์หรือเป็นสนามรบของชนชาติต่างๆหรือเผ่าพันธุ์ต่างๆด้วยมาตั้งแต่ก่อนมีพระกุมภี์ก่อนยุคพระคุมภีร์นะครับแล้วก็ในพระคุมภี์ก็มีบันทึกครับ แล้วก็ในอนานคตนะครับไดบันทึกอยู่ในวิวรบุที่สิบหกครับก็คือสงครามอาร์มาเกตจอนคำว่าฮานะครับแปลว่าที่ลาฟมาเกตจอนไม่ใช่คำว่ามีกิดโดนะครับซึ่งเป็นชื่อของที่ลาฟที่เรามองจากภูเขาคาร์เมลนะครับมองจากภูเขาคาร์เมลไปทางประวันออกเราเห็นนะครับว่ามีที่ลาฟมีกิตโดถือครับในครั้งนี้ที่มาที่ที่ลาฟมีกิดโดหรือภูเขาคาร์เมลนะครับ ขอบคุณพระเจ้าเราเห็นเครื่องบินรบเอฟสิบหกครั บ, ำบกำลังฝึกบินเขากําลังแลนดิ่งอยู่ตรงที่ราบไมกิโตตรงนี้นะครับเราพบ ว, ว่าที่เก็บเครื่องบินนะครับรบของอิสราเอลนั้นก็เก็บอยู่ใต้ดินครับเมื่อเอฟสหกนั้นบินมาจต่ละลำแต่ละลำแต่ละลำที่ผ่านไปนะครับมันใช้ลานเวย์เราเห็นมันกําลังแลนดิ่งอยู่สักพักเดียวมหายไปนะครับนั่นแสดงว่ามันเข้าไปอยู่ใต้ดินแล้วครับคือเก็บไว้อยู่ใต้ดินแล้ว เราเห็นถึงประมาณสี่ห้าล้ำด้วยกันนะครับที่บินแลนดิงตรงนี้ครับเป็นเหตุที่ทำให้มีหลักฐานอันเชื่อได้ว่าในอนาคตนะครับมันจะมีสงครามเกิดขึ้นที่นี่แน่นอนนี่เป็นฐานบินนะครับทางการทหารของอิสราเอลที่อยู่ที่นี่แต่ที่สำคัญก็คือว่าที่ภูเขาคารเม ล, ลนะครับเรามีบทเรียนอยู่สองบทเรียนด้วยกันสิ่งที่เกิดขึ้นในดนั้น สแสดงให้เห็นว่าพระเยโ ว, วาห์นั้นทรงเป็นพระเจ้านะครับและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับที่ที่รามิเกโดก็คือสงครามอามาบิดอนนะครับซึ่งเป็นสงครามใหญ่เป็นสงครามสุดท้ายนะครับที่บันทึกในพธรรมวิวรเราอยู่ในภูเขาคารเมลและมองเข้าไปที่ที่รามิเกโดกผมเห็นสองอย่างครับก็คืออดีตและอนาคตพี่น้องครับอดีต เราเห็นว่าพระเจ้าพระเยวานั้นทรงเป็นพระเจ้าของอิสราเอลทรงเป็นพระเจ้าที่เทีงแท้ครับในอนาคตเช่นเดียวกันครับพระองค์ก็ยังทรงเหมือนเดิมพระเยวานทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงครอบครองอยู่เป็นนิรดครับนี่คือบทเปลียนในชาติวันนี้อยากจะแบ่งปันบทเปลียนให้กับพี่น้องทุกท่านครับและเชิญชวนให้พี่น้องที่จะอ่านในหนึ่งโปรกำษัทบทที่สิบแปดนะครับแล้วก็วิวรบทที่สิบหกนะครับท่านก็จะเห็นว่า นี่คืออดีตที่ผ่านมา 2,800 ปีนะครับแล้วผมเชื่อว่าสงครามในเดือนนั้นก็จะเกิดขึ้นนะครับจากจุดนี้ในอนาคตไปในอนาคตในไม่ช้านะครับน้องๆบางคนอาจจะได้เห็นหรือไม่เห็นไม่รู้นะครับแต่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้าเพราะว่าโลกของเรานั้นได้ก้าวเข้ามาอยู่ในยุคสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆขอจเจ้าแม่กาลนะครับในการที่เราจะโชโยโอกาสการตัดสุนคุณ ให้มากยิ่งขึ้นให้เข้มคนกว่านี้ช่วยโอกาสในการรับใช้พระเจ้าให้มากขึ้นกว่นานี้เราเห็นตอนพรที่ผ่านมาทางอิสราเอลซึ่งเป็นผู้รับใช้เป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรเป็นประชากรของพระเจ้าเราทั้งหลายก็เช่นกันครับเราก็เป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรเป็นผู้รับใช้จะเป็นประชากรของพระเจ้าไม่ได้แตกต่างจากอิสราเอลเลยนะครับขอพระเจ้าช่วยเราเสริมกำลังเราอาเมน